สมมตินะคนที่เขาเข้าใจในเรื่องศึกษาเรื่องทางหูดีเขาเข้าใจองค์ประกอบของการได้ยินเสียงเลยโดยคําสอนนะ <c oughs> เช่นอาศัยหูเสียงโสตะวิญญาณโสตะสัมผัสและก็โสตะสัมผัสสชาเวทนาและวิตกวิจารณ์ที่เกิดขึ้นในจิตของและแม้กระทั่งถึงสภาพที่เป็นสัญญาเจตนาต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะที่ได้ยินเสียงเขาใส่ใจในเรื่องของตัวเองซะส่วนใหญ่ และในขณะเดียวกันก็ถ้าเข้าใจในเรื่องภายในก็จะเข้าใจในเรื่องภายนอกอย่างดีแล้วมีความเข้าใจในเรื่องขันทาาอายตนะในขณะที่หูได้ยินเสียงเป็นอย่างดีความรู้อันนี้เป็นความเข้าใจธรรมดาเหมือนกับคนอ่านหนังสือออกแล้วโสตวิ ญ, ญญาณเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยมองเห็นในความเป็นวิบากขอ ง, ของโสตวิญ ญ, ญาณเสียงเนี่ยมองพิจิตรู้ทันทีว่าเป็นจิตตชรูปคือคือมีจิตเป็นสมุทฐาน แล้วสามารถแม้แต่คําหนึ่งคําครับเขาตรึกได้เลยว่าคําชนิดนี้มาจากจิตชนิดไหนที่เป็นปัจจัยให้เสียงนี้เกิดขึ้นปัจจัยอะไรทําให้โสตะวิญญาณได้ยินสามารถที่จะสาวเรื่องปฏิจจสมุปบาทตรงนั้นได้ทันทีเสร็จแล้วก็การฟังธรรมเพื่อเป็นนิเพทธท่าพาคียะฟังเพื่อชําแรกอะ่ะเขาฟังเพื่อพ้นทุกนั่นแหละเรียกว่าเป็นนิเพทธท่าพาคียะเป็นไปเพื่อ ชั้แรกกิเลสนั่นแหละแต่ของเราก็เป็นวาสนาภากดยาปัางธรรมเนี่ยเราผ่านหูมาบ้างแต่ในโลกของความคิดเราไม่เคยเอามาตรึกเลยถ้าหากว่าในชั่วโมงการตรึกเราน้อยเราไม่เอาธรรมะเหล่านี้มาสงเคราะห์ในชีวิตของเราได้เราเนี่ยห่างจริงๆเลยนะพระธรรมเนี่ยชั้แรกเข้าไม่ได้เลยก็บอกว่าพระธรรมเนี่ยนะตั้งมั่นอยู่ในคนที่อายุต่ํากว่าร้อยปีเหมือนกับ ไม้ที่กรีดไปในน้ําำควักมันเท่านั้นเองฮันปัญญาส่วนใหญ่จึงเป็นปัญญาเหมือนกับหน้าตักสําหรับคนที่ฟังเข้าใจนะขอเข้าใจพอลุกไปเพิบเนี่ยนะหมดเกลี้ยงเลยอ่ะไม่เหลือแม้แต่นิดเดียวนั่นเรียกปัญญาเหมือนหน้าตักไม่สามารถเอาไปตรึกตามได้ไม่สามารถทรงจําได้แล้วทรงจําก็ไม่เอามาพิจารณาบางคนก็จําได้เฉยๆ อย่างสมมติอ่ะจําเรื่องจิตนะจิตมีทั้งหมดแปดสิเก้าหรือหนึ่ง้อยี่บเอ็ดตัวคือกามาวัจลัจิตห้าสี่มารกตะจิตเทบเจ็ดก็ว่าไปเรืยแต่เอามาคิดมีไหมน้อยมากเอาสมมุติถ้าเอามาคิดอย่างเงี้ยตามองเห็นเนี่ยจิตสามารถเกิดได้กี่ดวงประเฉดสามก็ว่าไว้ใช่ไหมว่าไว้ไหมจากครูทวารเนี่ยจิตเกิดได้กี่ดวงใช่ไหมโสตวิญญาณเอานะปัญจทวารราชนะก่อน จากขูวิญญาณทั้งที่ดีและไม่ดีสัมปติชนะสันติรณะวณะุฒาพันนะแล้วก็ชาวชนะทีนี้ชาวนะของเราเป็นโลภะได้ไหมถ้ามองเห็นจะเป็นโลภะเพราะอะไรถ้ามองเห็นชาวนะเราจะเป็นโลภะดวงที่หนึ่งเพราะอะไรเอาดวงที่หนึ่งก่อนอดวงที่หนึ่งมีทิฏฐิประกอบมองเห็นเป็นดวงที่หนึ่ง อ้าถ้ามองเห็นเป็นดวงที่สองจะเป็นยังไงมองเห็นแล้วเป็นดวงที่สามเป็นยังไงดวงที่สี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่าแล้วในโทสะถ้ามองเห็นปั๊บโทสะจิตจะเกิดเป็นยังไงถ้ามองเห็นปั๊บโมหะจิตจะเป็นยังไงถ้ามองเห็นปั๊บมหากุศลจะเกิดเพราะอะไรมหากุศลดวงที่หนึ่งจะเกิดยังไงมหากุศสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจะเกิดเพราะยังไงนี่เขาเรียกว่าลักษณะการพิจารณาเนื้อความลงมานะาะสูตรเหล่านี้เราก็เรียนทางทีนี้ ในขณะที่มองเห็นน่ยสามารถมีเวทนาได้กี่อย่างเอาเวทนามาสงองข้์ลงไปอีกใช่ไหมมองเห็นอา้าวจิตเห็นเป็นอุเบกขาเอา๊ะแต่ทําไมเราฟังแล้วงุดหงิดใจก็าสามารถที่จะศึกษาได้นี่โดยเวทนาถ้าโดยเหตุโดยกิจใช่ไหมโดยทวารโดยกรรมโดยผลของกรรมทั้งๆที่เราก็ได้ยินกันหมดคําเหล่านี้ไม่แทบไม่มีอะไรที่ไม่ได้ยินแต่ว่าถามว่าในขณะที่เรามองเห็นเราคิดอย่างนี้ลักษณะนี้บ่อยไหม ทีนี้ถ้าถ้าน้อยมากแล้วจะเอาเรื่องคําว่าขันมาใส่ได้ยังไงเอามาใส่ส่วนไหนใช่ไหมถ้าเราตรึกในเรื่องของจิตน้อยเนี่ยวิญญาณขันเราก็สอบตกไปแล้วถ้าวิญญาณขันตกนะเวทนาตกด้วยสัญญาขันก็ตกสังขารขันก็สอบตกเสร็จแล้วก็เหลือแต่รูปประขันเฉพาะสีที่เป็นอารมณ์ของโลภะมันก็ไม่ต่างอะไรจากผู้ที่ไม่ได้ฟังธรรมไม่ต่างอะไรจากผู้ที่ไม่มีไตรสารณาคมเลย ทีนี้เราก็พอตรึกในลักษณะโดยความเป็นขันธาตุอายตนะมากๆขึ้นเราก็พิจารณาต่อไปถ้าในสิ่งเหล่านี้จะมีด้วยปัจจัยเนี่ยปัจจัยอะไรบ้างสีเนี่ยจะมีพ่อปัจจัยอะไรจิตเห็นของเราจะมีได้เพร่อปัจจัยอะไรตาของเราเนี่ยมีพร่อปัจจัยอะไรบ้างเห็นไหมก็เป็นความรู้ปริเฉดแปดถ้าเห็นอย่างเงี้ยจะเป็นสมถะได้เพราะอะไรถ้าเป็นเลื่อนไปเป็นปริเฉดเก้าถ้าเป็นสมถะในสมถะสี่สิบจะเป็นข้อไหนได้บ้าง ถ้าเป็นวิปัสนาเป็นได้เพราะอะไรใช่ไหมและสงข้อลงพระสูตรต่างๆที่เราศึกษามาก็ในชีวิตเลยดังนั้นเราก็ดูว่าเครียกว่าการพิจารณาเนื้ออัดเนื้อธรรมที่เราศึกษามาไม่ใช่โอ้ศึกษาอย่างนี้ไปปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งไม่งั้นเนี่ยเสียเวลาเยอะเลยนะมาศึกษาอย่างนี้นะไปปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งที่เราคุ้นง่ายกว่าตั้งเยอะไม่ต้องมาจําปวดหัวด้วยแต่ถามว่าทําไมพระองค์จึงสอนไว้และพระองค์บอกว่าถ้าพระองค์ไม่ปฏิบัติไม่ได้พระองค์ไม่สอน เพียงแต่ว่าที่ปฏิบัติไม่ได้เพราะคนไม่เคยคิดจะปฏิบัติอย่างนี้เลยไม่มีแนวทางไม่มีแนวความคิดว่าฉันจะปฏิบัติเพื่อรอบรู้สิ่งเหล่านี้เลยจิตตั้งไว้ผิดแหละถ้าจิตตั้งไว้ผิดปั๊บก็เป็นอื่นไปแล้วก็จะไม่ตรึกธรรมะของพระผู้มีพระภาคก็ไปตรึกอย่างอื่นแทนซึ่งก็น่าเสียดายเสร็จแล้วความรู้ที่เรียนมาปั๊บนานเข้าบอกเอ๊ะปริยัติก็อย่างปฏิบัติก็อย่างไม่ไม่สามารถเป็นคําสอนกับ เขรียกว่าแผนที่กับการเดินทางนี่คนละอย่างแล้วเราคิดนะว่ามัชชิมาปฏิปทาเ น, นี่ยไปตั้งไว้ตรงไหนสมาธิติตั้งไว้อย่างไงนั่นแหละถ้าไม่งั้นเราก็นหน้าเสียดายแล้วก็ความรู้ที่เราเรียนมาก็จะหมดหมดตาจากจากชีวิตเราแล้วเมื่อไหร่จะเราจะได้ยินอีกได้ยินเราก็จะพันผ่านหูอีกจะไม่มีความลึกซึ้งจะไม่ไม่สรดสังเวชอะไรเลยแต่ถ้าหากว่าเราสามารถส่งเคราะห์ลงมาปั๊บแม้แต่คําหนึ่งคํำปั๊บ เราจะพิจารณาเป็นธรรมะได้เลยได้ยินเสียงนี่เราสามารถที่จะไข้ควรเป็นธรรมะได้เราจะมีความเลือกซึ่งไปในที่ทุกคนทุกแห่งแต่ว่าส่วนที่สำคัญที่สุดทำยังไงความรู้ทั้งหมดเราสามารถสงเคราะห์ลงมาได้ในชีวิตก่อนที่สำคัญที่สุดนะทำยังไงแต่ส่วนใหญ่มันจำได้แต่ว่าทักษะหรือการการฝึกของเราเนี่ยอ่อนไปแต่ถ้าฝึกบ่อยๆไม่ยากใช่ไหม สดาวิญญาณเกิดขึ้นเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยบ้างยังไงก็คิดในเรื่องราวเหล่านี้เพราะยังไงเราก็คิดอยู่แล้วอ่ะถ้าไม่คิดอย่างนี้เราไปคิดอะไรอ่ะงั้นคนส่วนใหญ่กลัวเอ้นี่มันคิดเอานี่เออถ้าไม่คิดอย่างนี้เราไปคิดเรื่องอะไรดีเพราะมันเป็นอกุสนะส่วนใหญ่ในชีวิตเพรา ะ, ะเมื่อเราปล่อยให้ความคิดผ่านไปก็คือปล่อยให้ขณะแห่งชีวิตขณะนั้นผ่านไป คนที่ปล่อยให้ขณะล่วงไปเข้าไปยัดเยียดอยู่ในอบายเป็นอันมากแล้วอันเราไม่ไปอีกคนหนึ่งก็ไม่เป็นไรหรอกเขาก็แน่นหนาอยู่แล้วพวกปลวกพวกแมลงพวกอะไรเขาก็เยอะอยู่แล้วปลาเขาก็เยอะอยู่แล้วเราไม่ไม่ไปก็ไม่เป็นไรหรอกขอให้เราพิจารณาเพื่อหาทางออกแต่ว่าคําสอนในส่วนนี้ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้เพราะในคำพี์อย่างเช่นคำพีวิสุทธิมรักเนี่ยหมวดว่าด้วยวิปัสสนาญาณนี่เอาความรู้เหล่านี้ทั้งนั้นเลยมาแสดงเรื่องวิปัสสนา ไม่ใช่เป็นเรื่องของการจินตนาการแต่เป็นเรื่องของความรู้ความเข้าใจอย่างปัญญาในชั้นต้นนี่เขาเรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิมีความเห็นที่ตรงมีความเห็นที่ชอบเห็นอย่างนั้นจริงๆเลยเอาเช่นเห็นเป็นอะไรเห็นเป็นขันห้าได้ยินเสียงปั๊บเห็นเป็นขันห้าเลยท่านเห็นโดยอัธยาศัยอย่างนั้นจริงๆว่านี่คือขันห้าถ้ารูปมีอะไรเป็นปัจจัยถ้าเวทนามีอะไรเป็นปัจจัยท่านเข้าใจเรื่องนี้เป็น เป็นอัธยาศัยเลยจนข้ามความสงสัยได้อย่างสมมหูได้ยินเสียงปั๊บเนี่ยไม่มีความสงสัยในคุณของพระพุทธเจ้ า, ไ ม, มามมไม่มีความสงสัยในคุณของพระธรรมไม่มีความสงสัยในคุณของพระสงฆ์ไม่สงสัยในศีรขาคือข้อปฏิบัติไม่สงสัยในขันธ์าตุอายตนะที่เป็นอดีตด้วยไม่สงสัยขันธาตุอายตนะที่เป็นอนาคตไม่สงสัยในปฏิจจสมุบบาน นั้นความรู้อันนี้จะต้องเป็นความรู้ที่เป็นอัธยาศัยทีนี้พอมีความรู้อันนี้มากขึ้นก็จะทําให้สามารถที่จะเห็นความไม่คงทนของวิบากกรร ม, มชรชปแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่ที่ขณะได้ยินอย่างเงี้ยเพราะเข้าใจในเรื่องปัจจัยอย่างนั้นดีเพราะว่าข้อปฏิบัติอื่นๆนอกจากการกําหนดรู้ขันห้าเนี่ยมีไหมที่เป็นไปเพื่อเพื่อพ้นทุกมีไหมยัง ข้อปฏิบัติอื่นที่ไม่ต้องกําหนดรู้ขันหา้าแต่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ไม่มีถ้าอย่างพระสมัยก่อนท่านบอกเลยท่านบอกว่าบวชเพื่อกําหนดรู้ขันหา้าหรือบวชเพื่อรู้แจ้งอริยสัจเพราะทุกขสั์ก็คือขันหา้าเราจะบรรลุมรรคสัจโดยที่ไม่รู้ขันหา้าเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปไม่ได้แต่อาจจะเรียกชื่อไม่ถูกนะครับถ้าคนสมัยก่อนที่เขามีความเห็นที่ถูกต้องเขาอาจจะใส่คําไม่ถูกแต่จริงต้องไม่ขัดแย้งกัน เพราะว่าไม่ใช่โอ้โหสาวกตรัสรู้อย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสรู้อีกอย่างหนึ่งเอ่นตรัสรู้ศาสนาของใครกันแน่นั่นแหละเราต้องอทบทวนศึกษาในเรื่องนี้แล้วก็เพื่อที่จะมั่นคงในเรื่องของไตราสารณคมมากขึ้นถ้าเราสับสนในข้อปฏิบัติแสดงว่าเราสับสนในเรื่องของพระพุทธเจ้าสับสนในพระธรรมสับสนในพระสงค์ถ้าสับสนในข้อปฏิบัติเราจะสับสนแม้กระทั่งคําว่าอารหรัน อารหันของเรากับของท่านอาจจะคนละอย่างก็ได้นะ <c oughs> นั่นแหละแต่อารหันของพระผู้มีพระภาคคือผู้กลายจากกิเลสทีนี้ถามว่าถ้าหูได้ยินเสียงจะเป็นกิเลสเป็นได้เพราะอะไรในสังโยในอายตนะบพปะนะพระองค์แสดงว่าพึ่งรู้จากหูพึ่งรู้จากเสียงพึ่งรู้จากสังโยที่อ า, อาศัยหูและเสียงสังโยที่ยังไม่เกิด จะเกิดขึ้นด้วยประการใดรู้ชัดประการนั้นด้วยสังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วจะละด้วยประการใดรู้ชัดประการนั้นด้วยสังโยชน์ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกด้วยประการใดรู้ชัดด้วยประการนั้นด้วยพิจารณาเรื่องเนี้เป็นภายในบ้างพิจารณาเป็นภายนอกบ้างทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างพิจารณาเห็นความเกิดบ้างพิจารณาเห็นความเสื่อมบ้างพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความเสื่อมบ้าง เพ้นในเรื่องนี้ปุ๊บสมมติถ้าหากว่าเราหูได้ยินเสียงไม่รู้จักอกุศลจิตสิบสองเลยเราจะไม่รู้ว่าสังโยชน์จะเกิดได้ยังไงเพราะสังโยชน์ก็คืออกุศลจิตสิบสองนั่นแหละพูดแบบสำนวนเราๆที่เรียนปริเชนหนึ่งแน่นหน่อยนะนั่นแหละถ้าเรียนแบบเจตสิกก็คือโลภะจะเกิดขึ้นได้เพราะอะไรถ้าหูได้ยินเสียงถ้าทิฏฐิจะเกิดเกิดเพราะยึดถืออะไรหูได้ยินเสียงถ้าวิจิกิจฉาจะเกิดเกิดเพราะอะไรถ้า โลภะจะเกิดโทสะจะเกิดอวิชชาสังโยชนเนี่ยหรืออุทะจะสังโยชน์มานะสังโยชน์จะเกิดเกิดเพราะลักษณะอย่างไรต้องเข้าใจถ้าจะเกิดเกิดด้วยประการใดถ้ามันเกิดแล้วจะละได้อย่างไงมันต้องมีข้อปฏิบัติเพื่อละอันนี้นะไม่ใช่ปล่อยให้บอกเออสังโยชนี่ยมันเกิดดับของมันอ่ะมันไม่เที่ยงอ่ะมันเกิดดับของมันอ่ะปล่อยไปตามุไม่ใช่นะเพราะเกิดมาเราปล่อยมานานแล้วถ้าหูได้ยินเสียงถ้าอวิชชาสังโยชน์จะเกิดเพราะเพราะอะไร อันนี้อวิชชาไม่รู้อะไรก่อนไม่รู้เรื่องอริยสัจนะไม่รู้ว่านี้ทุกทุกขสมุทัยทุกขนิโรธทุกขนิโร ธ, โรธถ้าคาม่มีปฏิปทาหูได้ยินเสียงเนี่ยเป็นสัจจะไหมเป็นพระองค์จึงกล่าวว่าลักษณะนี้เป็นผู้ที่ถูกห่วงน้ำเนี่ยมันจมอยู่แล้วก็จมอยู่ในห่วงน้ำจมอยู่ในอวิชโชะเพราะขณะที่หูได้ยินเสียงเราไม่มีความรอบรู้ในเรื่องอริยสัจนะ นั่นแหละอวิชชาได้ท่วมทับเราแล้วขนาดนั้นแต่ทีนี้ส่วนใหญ่มันไม่ตื่นภัยอสิเราไม่เคยตื่นเลยนะพรัพระองค์จึงสอนเรื่องปัจเจกเช่นเรามีความชาราหรือความแก่เป็นธรรมดาเราไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเราไม่่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ตดคไได่ความตายไปได้หูเนี่ยนะชาราไหม หูมีความชราเป็นธรรมดาหูมีโรคไหมพยาธิมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาหูมีตายไหมหูมันตับไม่ได้ยินจะเป็นยังไงเฉะั้นถ้าเราพิจารณาลักษณะแล้วหูเนี่ยเป็นเป็นผลของกรรมอย่างเงี้ยแล้วเราจะแก้ปัญหายัางไงในเรื่องหูเฉะนั้นตรงนั้นแหละทำให้เราเห็นว่าเรามีพระธรรมเป็นสาระมากไหมที่จริงการพิจารณานะครับถ้าเรา ถ้าเร า, าข้ามชองหรือว่าเราทํานานบัพพะใดบัพพาหนึ่งนะครับหรือว่าสติปัฏฐานใดสติปัฏฐานหนึ่งก็ทําให้ต่อไปเราก็เข้าใจกว้างขึ้นเองใช่ไหมครับเช่นในการพิจารณาสังโยชนนี้ช่กไหมครับก็อยู่ในธรรมานุปสัสสนาเชตนทรัพสติปัฏฐานเชตนทรัพอายตนะบัพพะอยู่ในอานะบัพพะแล้วท่านก็เปลี่ยน ท่านก็อธิบายสังโยชน์ถ้าจนละเอียดมากเลยท่านเปรียบให้ฟังเหมือนกับบัวผูกกับหลักผูกที่คอโคอะไรเป็นสังโยต์ที่แท้จริงวัวก็ไม่ใช่สังโยต์หลักก็ไม่ใช่สังโยต์อะไรนี่นะครับท่านอธิบายไว้ในพระสูตรเนี่ยน่าฟังมากเลยนะครับแล้วก็สังโยต์ที่ท่านว่านี่นะครับถ้าเราพิจารณาอย่างนั้นเนี่ยในชีวิตประจำวันนี่นะครับเช่นตาเห็นเห็นสีเช่นปลาแล้วอะไรคือสังโยต์ใช่ใช่ไหมครับแล้วสังโยชต์มีกี่อย่างลองไล่ดูนะครับเช่นปลา แล้วก็ไล่ดูเนี่ยถ้าเห็นแก้วน้ำเนี่ยอาจจะเป็นสังโยชน์ข้อไหนได้บ้างใช่ไหมแล้วก็มาซักซ้อมเพราะว่าวิชานี่นะไม่เหมือนวิชาอื่นวิชาอื่นนะถ้าตอบผ่านแล้วคุณจบถ้าคุณจอบได้นะคุณจบแล้วใช้ได้แล้วสอบผ่านได้วุตรไปเลยแต่อันนี้ไม่ใช่จำได้ถ้าเอามาใช้เดี๋ยวลืมแล้วลืมเนี่ยก็ถือว่าหมดละแต่ว่าเป็นการที่เอามาใช้ได้เป็นเป็นอัธยาศัยเลยอะ่ะ เป็นเรื่องอัธยาศัยเขาจึงใช้คําว่าเป็นเรื่องของทิถีะทิฐิทิฐิมีกําลังแรงมากแต่เป็นสัมมาทิฐิจนมีความเห็นเหมือนกับคําสอนที่องค์ว่าไว้เปี้ยเลยถ้าเราพิจารณาสังโยชน์นะเราเข้าใจว่าสังโยชน์คือสิ่งที่ผูกเราติดไว้ในวัตถะไม่ให้หลุดออกไปเนี่ยแล้วก็จะพิจารณาสังโยชน์แต่และตัวแต่และตัวเนี่ยมันผูกเราจริงจถ้าเรายกตัวอย่างดูสิครับใช่ไหมเอางี้นะถ้าเป็นอวิชชาสังโยชน์เ่ย อวิชานะนะหูเนี่ยตัวสังโยชน์ได้แก่ตัววิชาคือตัวโมหะตัวที่ไม่รู้สภาพตัวไม่รู้นั่นแหละคือตัวสังโยชน์มันผูกอะไรผูกจิตกับหูไว้วันเสาร์ที่แล้วเราบอกว่าหูเป็นที่รักที่ชอบใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดก็เกิดที่ที่หูอวิชาเกิดร่วมกับตัณหาไหมก็เกิดร่วม เสียงเป็นที่รักที่ชอบใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดก็เกิดที่เสียงโสตวิญญาณเป็นที่รักที่ชอบใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดก็เกิดที่โสตวิญญาณหูเสียงและก็โสตวิญญาณรวมกันเรียกว่าโสตสัมผัสโลภะเมื่อจะเกิดก็เกิดที่โสตสัมผัสเวทนาอันะหูเสียงโสตวิญญาณโสตสัมผัสทั้งหมดประชุมกันเนี่ยทาให้เกิดเวทนา เวทานานี่แหละเป็นที่รักที่ชอบใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดก็อาศัยเวทานานั่นแหละแล้วก็ศัทธาสัญญาความจําในเสียงเป็นที่รักที่ชอบใจในโลกไอตัวสัญญานะเป็นที่รักที่ชอบใจในโลกตัณหาของเราถ้าจะเกิดก็ยินดีในสัทธาสัญญาอันนั้นแล้วก็เจตนาความจงใจเนี่ยจงใจในเสียงกันนะคล้ายๆกับตั้งใจฟังเสียงเนี่ยตัวนั้นเป็น ที่รักที่ชอบใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดก็อาศัยเจตนาวิตกการตรึกถึงเสียงเป็นที่รักที่ชอบใจในโลกตัณหาจะเกิดก็อาศัยวิกนั่นแหละวิจารณไตรตรองในเรื่องเสียงก็เป็นที่รักที่ชอบใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดก็อาศัยวิจารณ์ความยินดีในเสียงหรือเรียกว่าตัณหาในเสียงเป็นที่รักที่ชอบใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดก็อาศัยตัณหาตัณหาอาศัยตัณหาเกิดอ่ะดีอนนั้นเป็น การมรราคาสังโยชน์เป็นการมรรคาสังโยชน์เพราะเป็นโลภะเพราะโลภะจะยินดีในสิ่งเหล่านี้โลภะก็เป็นสังโยชน์ใช่ไหมทีนี้ทํายังไงละอวิชาจึงจะไม่เกิดอ่ะทีนี้ว่าสัตว์เนี่ยนะรู้เรื่องนี้ดีแล้วนะจึงรู้ว่าโอ้ที่ผ่านมาเป็นอวิชาถ้าไม่เข้าใจในเรื่องนี้นะมันยังไงมันก็หลับสนิทอ่ะในเรื่องนี้ก็เหมือนกันนะถ้าพิจารณาอย่างนี้มากๆแล้วจึงรู้ว่าโอ้ที่ผ่านมาฉันเป็นอวิชาทั้งนั้นเลย หมูได้ยินเสียงเรื่องเนี่ยเพราะอาวิชชาสังโยชน์เนี่ยมันเกิดร่วมกับสังโยชน์ทุกข้อใช่ไหมโมหะเจตสิกเป็นสัพพะสาธารณะเจตสิกที่เป็นอกุศลมันเกิดร่วมกับอกุศลทุกชนิดโอ้สแสดงว่าที่ผ่านมานั้นเป็นอกุศลมาตลอดหลับตลอดเลยแต่ถ้าพิจารณาลักษณะนี้มากๆมันจะเริ่มตื่นตัวการพิจารณาเรื่องนี้นะทำให้เห็นธรรมะข้อหนึ่งชัดคือชาคริยานุโย ปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องของการตื่นตัวจริงๆในขณะนั้นๆในขณะที่พิจารณาธรรมะนั้นๆแล้วนะถ้าใครมีปริพเทอย่างใดอย่างหนึ่งมันจะชัดเลยเราติดข้องในเรื่องใดปุ๊บอารมณ์นั้นวิตกของเราจะไปตรึกถึงสิ่งนั้นๆด้วยแล้วก็สามารถที่จะศึกษาเรื่องวิตกศึกษาเรื่องของสภาพการยึดติดในขณะนั้นๆได้ันถ้าเราขาดการพิจารณาเรื่องราวเหล่านี้ นั้นสิ่งที่เราจะรู้แจ้งอริยสัจเนี่ยจึงจึงหนนทางเนี่ยมองไม่เห็นทางเลยจะรู้บรรลุอริยสัจได้ยังไงเพราะกิเลสยังไม่ทันรู้เลยว่าจระเป็นกิเลสอย่างเดีวอ่ะใช่ไหมในชั้นนี้เขาเรียกว่าเริ่มรู้จากกิเลสซะก่อน <laughs> ผูกสภาพจิตของเราไปติดกับอ่ะเมื่อกี้เนี่ยพูดเรื่องหูใช่ไหมอ่ะนะตัวโลภะหรือตัวโมหะเป็นเหมือนกับโซ่โซ่เนี่ยนะหรือว่าที่ว่าสังโยชน์เครื่องผูกผูกกับอะไรผูกกับหู กิเลสเนี่ยผูกกับหูผูกกับเสียงผูกกับโสตสัมผัสผูกกับเวทนาผูกกับสัญญาผูกกับเจตนาผูกกับวิตกผูกกับวิจารแล้วก็ผูกกับตัวความยินดีในเครื่องผูกอีกครั้งหนึ่งแสดงว่าผูกกับสีของสุนัขเจนพนถ้าทางตานี่ก็ผูกกับสีเสียงของสุนัขเ่นพรใช่ไหมครับแล้วก็มาผูกในภายในตัวเราเนี่ยด้วยผูกที่ตา เพราะฉระหว่างตากับสีของสุนัขรับผูกกันไว้นี่แหละนี่แหละเป็นกามการาราฆสังโยชน์เจนพอการมาราคะสังโยชน์เจนพอคือมองเห็นปั๊บนะเกิดความยึดติดเนี่ยปั๊บเราสังเกตนะถ้าเป็นคนสังเกตบ่อยๆจะรู้ว่าบางครั้งยึดติดในตาบางครั้งยึดติดในสีบางครั้งยึดติดในจิตเห็นบางครั้งยึดติดในเวทนาที่เราเข้าไปในเรื่องของ เรื่องของสีไม่ใช่อยู่ตรงนี้นะต้องขึ้นเป็นอีกอีกวิธีหนึ่งเลยเป็นเรื่องของโลภะที่ไปยินดีในสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมไปยินดีในเรื่องของหูยินดีในเรื่องของโสตวิญญาณยินดีในเรื่องของเสียงนั้นธรรมดาของผู้ที่ไม่อบรมสัมมาทิฏฐินะ เป็นผู้ที่มีปกติถูกผูกเอาไว้อยู่ตลอดเวลาเช่นเราจะเห็นการผูกนะทักท่าทางหูนะลองคนสองคนเข้ากระซิบกันสิเราเงี้อะไรนะรีบเลยนะเอ๊ะเขาคุยอะไรกันเจ่ะไหมนี่คือลักษณะของโลภะที่มันเข้าอยากเข้าไปรู้อะ่ะเขาคุยอะไรกันพอได้ยินเสียงปับ๊บไม่พอใจขึ้นมาทันทีเป็นต้นนั้นเป็นปฏิฆาสังโยชน์ก็เกิดขึ้นปฏิฆามันก็ผูกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะ ข้ามปกติของผู้ที่ไม่เคยพิจารณาอย่างนี้เลยว่าความจริงเหล่านี้คืออะไรกันแน่เพราะไม่ได้เจริญไม่ได้อบรมอะไรไม่ได้อบรมเรื่องของทิฏฐิวิสุทธิหรือไม่ได้อบรมเรื่องของปริญญาสามเพราะหรือไม่รอบรู้ในเรื่องนี้จริงๆไม่รอบรู้ในขณะที่หูได้ยินเสียงจริงๆเมื่อไม่รอบรู้ปั๊บก็เกิดการยึดติดหรืออะไรก็อีกไม่ยึดอย่างเดียวนะมันยังอื่นด้วยอะ่ะ เพราะสังโยชน์มีสิบอย่างถ้าพูดในลักษณะ ส, สังโยชน์เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่มีการพิจารณานะโลภะบางทีพระองค์ใช้คำว่าเป็นโอคะกิเลสนี่ท่วมทับเป็นคนที่จมอยู่ในวัตตะที่จริงอะไรคือวัตตะสังสารวัฏอยู่ที่ไหนก็หูแหละคือตัวเป็นเป็นวัตตะประเภทวิปากวัฏโสตวิญญาณก็เป็นวิปากวัฏ แล้วกิเลสที่มันเกิดขึ้นเพราะไม่รู้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นกิเลสวรรั์เจตนาที่เกิดร่วมกับกิเลสก็เป็นกรรมวัฏก็ปกติท่วมทับอยู่ในลักษณะนี้แต่ผู้ที่เป็นกัลยาณปุถุชนเริ่มศึกษาเพื่อที่จะรอบรู้ในความจริงของสิ่งเหล่านี้เพราะความรู้ที่จะเข้ามาช่วยให้เข้าใจเรื่องนี้ก็คือเรื่องของเข้าใจสิ่งเหล่านี้โดยความเป็น บางคนนี่ติดในนามธรรมมากพระองค์จะแสดงในลักษณะขันเพราะหูกับเสียงเป็นรูปขันใช้ขันเดียวเวทนาเป็นเวทนาขันสัญญาเป็นสัญญาขันปัสสะเจตนาเป็นสังขารขันโสตวิญญาณเป็นวิญญาณขันพระนามธรรมนี่เยอะพระองค์จึงในที่เดียวนี้พระองค์แสดงนามธรรมเยอะบางคนนี่ติดในรูปมากพระองค์ก็แสดงอายตนะหูก็เป็น โสตยตนาะเสียงก็เป็นศัท ธ, ธายตนะใช่ไหมจิตเป็นมานายตนาะภาษะเป็นต้นเป็นธรมมายตนะถ้าบางคนติดทั้งรูปทั้งนามพอๆกันก็แสดงใน ล, ลักษณะธาตุหูเป็นโสตาธาตุเสียงเป็นศัทธธาตุโสตวิญญาณเป็นโสตวิญญาณาธาตุเจตสิกที่ประกอบก็เป็นธรรมธาตุแต่ว่าถ้าโดยความจริงพวกนี้เป็นสัจจะหมดเลย แต่เป็นทุกขสัตว์เป็นทุกขสัตว์จะเพราะนั้นพระองค์เนี่ยจะสั่งสอนธรรมะที่เหมาะกับอัธยาศัยแต่แต่ก็คือคนที่อย่าลืมนะคนที่จะเกิดทันพระพุทธเจ้าคนนั้นต้องมีบุญมากอ่าถ้าสมมุตินะถ้าดามาจะเป็นคนมีน้ําสักขวดหนึ่งเนี่ยที่เป็นน้ําดื่มได้นะถ้าจะไปเทให้คนอื่นกินเนี่ยจะเทให้ใคร ถ้ากับคนมีแก้วกับไม่มีแก้วเนี่ยมาจะเทให้ใครใครมีแก้วก็จะไปรินให้คนนั้นแหละกินทีนี้เขาแก้วขนาดไหนก็รินตามสมควรแก่ของเขาเขาชอบน้ําชนิดไหนก็จะรินให้สมควรแก่อัธยาศัยของเขาได้พระพุทธเจ้าก็เป็นลักษณะเดียวกันแต่ต้องมีแก้วก่อนนะแสดงว่าคนนั้นเขาสะสมมาพอสมควรแล้วพระองค์จึงแสดงธรรมะเหมาะกับอัธยาศัยของเขาของเราเองเรายังไม่รู้เลยว่าเรามีอัธยาศัยยังไง